วันนี้เป็นวันที่หกอังคารที่หกตุลาคมพุทธจักราช25ัห้า8เมื่อคืนประมาณจักเที่ยงคืนครั่าหลวงพ่อก็ไม่ได้ดูนาฬิกาโอ้ฝนเทลงมาแต่ระยะสันส้นๆแต่ลักษณะฝนตกเมื่อคืนฝนตกตามก้อนฝ้าก้อนเมฆ มันคงจะไม่กระจายไม่เหมือนไม่สมกับการโฆษณาใครๆก็มาพูดให้หลวงพ่อฟังว่าพายุจะเข้ามาแต่หลวงพ่อก็ฟังฟังไปอย่างนั้นละ่ะหลวงพ่อเกิดมาหลายปีพายุจะเข้าเดือนตุลาเนี่ยจวนจะออกพันษาขนาดนี้นะ่ะถ้าไม่ใช่ผิดปกติบ้าบ้าบ้องพ้องของฝนน่นะก็ คงจะไม่มาหลวงพ่อว่านะันหลวงพ่อก็ฟังฟังตามปกตินเดือนสิงหากับกันยาเป็นเดือนที่ให้ฝนอันนี้เดือนตุลาเนี่ยเดือนตุลาต้นๆก็คงจะมีอยู่บ้าง2 0 2สิ0อร์ซแต่จะให้เทลงมาหมืดฟ้ามวดินจนน้ำท่วมน้อยมาก ยังไม่ค่อยเห็นทั้งอีสานของเรานะแต่มันจะเข้าหน้าหนาวเดือนตุลานี่มีแต่เย็นมือเช้านะเก็ เ, เย็เเนแล้วนะอากาศรู้สึกว่าเย็นผิดปกติออกมาจากห้องเจือบจะได้ห่มผ้าแล้วมันเริ่มเริ่มมีอากาศอากาศหนาวมีมีแล้วมือเช้านี่แต่ก็อดวิตกกังวลไม่ได้เรื่อง น้ำแห้งเ่ยเดี๋ยวนี้น้ำเขื่อนก็ดูๆแล้วก็โอ้หน้าวิตกถ้าหาว่าไม่มีน้ำน้ำไม่หมไม่พอจะทำยังไงแต่มันเคยมีไหมในครั้งพุทธกาลก็เคยมีไม่รู้กี่ครั้งเหมือนกันนะแต่ครั้งใหญ่ๆจนถึงกับพระพุทธเจ้าได้ไปห้ามพญาติพระวง ก็มีอันนี้แหละเรื่องน้ำเลยไม่ใช่ธรรมดานะมาในพระไตรปิฎกมาในพระพุทธศาสนาญาติของพระพุทธเจา้ากุงศักยะกุงวิเทหะคือทางหนึ่งก็เป็นฝ่ายพ่อทางหนึ่งก็เป็นฝ่ายแม่ฝ่ายแม่พระพุทธเจา้าวิเทหะศักยะนะั่นคือฝ่ายพ่อแต่ทํานาทําน้ํา ทำนาหยุดข้างแม่น้ําโลหินีะช่ไหแต่หลวงพ่อจำไม่ผิดนะต่างคนก็ต่างทำเพราะสมัยนั้นเรื่องพระเจ้าแผ่นดินแลกนาขวัญใครๆบอกพระเจ้าแผ่นดินใส่ใจในการทํานาถ้าว่าข้าวในนาไม่พอกินแปลว่าจนถึงอย่างไงยังไ ง, ง, ไงก็ต้องมีข้าวน้ําเลี้ยงประสกในก่อน เลี้ยงประชาชนของตนเองต้องใส่ใจในการทำไร่ทำนาก็เป็นว่านวลถ้าพิจารณาดูแล้วการทำนานี่สองันห้าร้อยห้าสิบแปดปีให้หลังยาวนานพอสมควรนะการทำนาของคนโบราณแต่นี่ก็ททำนาทั้งสองฝักฝังแม่น้ำ แตก่กั้นน้ำขึ้นมาแต่น้ำปลไอลบาทั้งสองข้างแต่พอทำไปแล้วแต่น้ากำลังกลังตั้งท้องกำลังจะออกรวงใครใครก็ต้องการน้ำพอดีบน้ำฝนมันก็แห้งทางในทางสั ก, กยะก็บอกว่าเอาเถอะข้าขอเพียงครั้งเดียว เอาปล่อยน้ําเข้ามาให้ใหนาคือก่อนที่จะปล่อยน้ำเนี่ยก็ต้องปรึกษากันก่อนไม่ใช่ต่างคน ต, งต่างปล่อยน้ําต้องปรึกษากันว่าจะเอาน้ําไปทางไหนพอมีคนเฝ้าประตูน้ํามีอยู่ทางนี้ก็บอกว่าเอาเถอะค่าขอเพียงครั้งเดียวทางนน้นเขาโอไม่ได้ข่าขอเพียงครั้งเดียวเหมือนกันถ้าครา้งเดียวไม่พอ ไม่ต้องเอาอีกพอน้ำข้าวมันตั้งท้องแล้วต่างคนก็ต่างอยากจะได้ครั้งเดียวเหมือนกันแต่นี้ก็เอาไม่ยอมพอไม่ยอมมันจะเอาอย่างไรกันไอทางนู้นก็นดูถูกทางนี้พวกขี้คอกพวกอะไรก็ด่ากันแหละแต่พวกเสนาอมาัมมัดพวกรักษาน้ำต่างคนก็ต่างปาหมาดดูถูกถึงโคตรถึงตระกูลของกัน ทางนี้ก็โมโหทางก็โมโหแต่นี่เอาลูกน้องกับไปบูดไปพูดให้นายฟังไปพูดให้เจ้านายฟังเจ้านายจะส่งขึ้นไปหาเจ้านายอยู่เบื้องบนสูงสุดเจ้านายสูงสุดโมโห เ, เดี๋ยวจะสั่งสอนมันทางนี้ก็เอาท์นะแล้วจะไปสั่งสอนมันต่างคนจะสั่งสอนกันเลยเผลที่โชกเกิด ยกทับมาหากันแบบนั้นไดนี่หละลูกน้องเน่สำคัญเลลูกน้องเนี่ ย, ย, อยพอได้ยินอะไรกซับสอ้อนไปถึงนายพอนายขึ้นมาก็ไปใส่ไฟนายนายก็โมโหขนาดยกทับมาแย่งน้ำกันใครก็อยากจะได้พอมาเจอปะเชิญหน้ากันเอะข้าทอขอเถอะเพียงครั้งเดียวทางนี้ไม่ได้แล้ว ข้าขอเพียงครั้งเดียวถ้าหากเอาทั้งข้าหากว่าข้าไม่มีน้ำไม่ไม่เข้านาละข้าจะหาเงินขนเงินที่ไหนไปซื้อข้าวของพวกสู่เจ้ามากินเพราะนั้นข้าไม่ให้ไม่ได้ถ่าขอถค่ครั้งเดียวทางนุองกับพูดอีกเหมือนกัน ถาจูเจ้าได้ข้ามาข่าจะหาเงินที่ไหนให้ไปซื้อข้าวมามาเลี้ยงมากินเนะี่อข้าขอเอาเถิอต่างคนต่างไม่อยอมก่อนแปลว่ายกหอกยกดาบยกธนูเข้าไปประชันประชันชิดกันจะเอากันแล้วนะพระพุทธเจ้าท่านรู้ว่าพระญาติพระวง์จะต้องประหัดประหารกันพระพุโองค์กษเด็จมา มาต่างคนก็ต่างอยู่ในความสงบพอเห็นพระพุทธเจ้ามาแล้วต่างคนต่างให้ใหความเคารพพราะพระพองค์บอกว่าดูก่อนพญาตพระวงศ์ทั้งหลายน้ําำมีราคาเท่าไหรออ่แล้วพญาตพระวงศ์ของพวกเราเนี่ยมีคุณค่าท่อไรตีเป็นราคาออกมาที่เท่าไหร่ ในเมื่อตีราคาคนออกมาแล้วแล้วก็ตีราคาน้ําอันไหนมีราคามากกว่ากันโอ้น้ํามีราคาน้อยมากไปเจ้าค่ะเทียบกันไม่ติดเลยกับพวกเจ้าของพวกกษัตริย์นั่นแหละทําไมพวกเธอท่านทั้งหลายไม่คิดเอาของที่มีราคามากกว่าไปแลกสิ่งที่มีราคาน้อยนิดอย่างนั้นมันคุ้มค่ากันเหรอทําไมพวกท่านทั้งหลาย ไม่ใช้ความคิดต่างคนต่างแบ่งกันแบ่งกันคือไม่ให้ข้างใดข้างหนึ่งกับลูกกันอยู่แล้วเนี่ยใครๆครก็ต้องการน้ำแบ่งเครื่งกันเถอปล่อยออกไปเท่าไหร่ทางนี้ปล่อยออกไปเท่าไหร่ทางนี้ปล่อยออกไปเท่าไหร่ก็ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่ดีกว่าเหรอ ถ้ท่านดีกว่าพวกเธอทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจะฆ่ากันมันจะเกิดประโยชน์อะไรทําไมพวกท่านทั้งหลายไม่ใช้ความคิดโอ้พอพระพุทธเจ้าเตือนเท่านั้นแหละนะ่เส้นเส้นผมเส้นผมบงผังภูเขาจริงๆมีแต่ความโลภกับความโกรธประดังเข้ามาฮเพราะความหลงปิดบังฮะความหลงในจิตในใจมันปิดบังอ่ามีแต่ไม่ข้างใดก็ข้างหนึ่งแหะ มีแต่ข่ า, ขานเนี่แม่นแต่บางทางนูงเขาก็มีเขี้ยวมีเล็บเหมือนกันต่างคนต่างมีเขี้ยวมีเล็บถึงจะสู้ศึกสงครามไปกันนะั้อต้องล้มหายตายไม่รู้เท่าไหร่แต่ทั้งสองฝากฝากังทั้งสองข้างไม่ใช่่ตัวเองจะชนะแล้วจะไม่ตายสักคนมันไม่จิดไม่เป็นอย่างนั้นต่างคนก็ต่างสาดน้าใส่กัน แต่ต่างคนก็ต่างเปียกใครจะเปียกมากเปียกน้อยถ้าใครเปรียกไทยเหนือกว่าแรงกว่าก็คงจะฝ่ายนั้นก็เป็นฝ่ายชนะแต่ฝ่ายชนะก็เถอะก็ต้องเปียกปอลไม่มากก็ น, น้อยเหมือนกันนี่แหละพระญาติพวง์ของพระพุทธเจ้าทั้งสองตระกูลเห็นว่าโอ้โหท่าว่าพระพุทธเจ้าไม่มาห้ามปรามพวกเราพวกเราคงจะตายกันมากพอสมควรข่าวนี้ แล้วจากนั้นก็คงจะเข้ากันไม่ติดนมนานเราพวกเราเห็นบุญคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าหนีไปบวชออกตามตามลำพังเพราะนั้นพวกเราควรจะเอาพยาดพวงของพวกเราทั้งสองฝากฟังไปเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเป็นเครื่องประดับหรือว่าเป็น เ, เมื่อพระองค์เป็นไปเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เติอ ควรจะมีเชื้อพระวัิพระญาติพระวงศ์ตระกูลไปเป็นบริษัทบริวารเป็นเครื่องสนับสนุนพระพุทธเจ้าด้วยเพราะถ้าไม่มีพร ะ, พ, ระพุทธเจ้ า, ามาห้ามในคราวนี้นะเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นในในกลุ่มของพวกเร า, เาจากนั้นก็ได้สรรหาเจ้าฟ้าชายทั้งหลาย กิมพริวัคุพัทธิยะอานนเทวทัตนะอนุรุทธะนะจนถึงอุบาลีอุบาลีเป็นในช่างกันบกนะช่างกันบกคือช่างตัดผมช่างตัดผมประจาตระกูลในช่างกันบกโอ้ยผมขอไปด้วยได้ไหมได้ได้ไหมครับพวกนี้ทีแรกก็ห้ามเอ้ยไม่ต้องไปละโอ้ยผมขอไปนะครับ เพราะชายทั้งหลายกันนึ่ถืออ้าไปก็ไปอุบลีกับไปพอท่านมีมีอุปนิสัยพอไปเสร็จแล้วไปกราบพระพุทธเจ้ามีเทวทัตด้วยนะบวชคราวนี้มีพระอ น, นุนพระอนุนรุทะมีเชื่อพระวงศ์จากนั้นไปบวชพอบวชพอจะบวชเอพวกเราเป็นกษัตริย์ มีทิฏฐิมานะสูงมากจะยอมกราบไหว้ใครยอมกราบไหว้ยากเพราะนั้นเราควรจะให้อุบาลีนี่ในช่างกันบกที่เป็นลูกน้องของเราเนี่ยช่างตัดผมของเราเนี่ยบวชก่อนในเมื่อบวชก่อนแล้วพวกเราจะได้กราบคารวะได้กราบเราจะได้ลดทิฐิทิฏฐิมานะความถือตัวของพวกเราลง เราควรจะให้อุบาลีบวชก่อนพวกเรานะ เ, เนี่ยแปลว่ามันรัชกษัตริย์แปลว่ากษัตริย์หนุ่มทั้งห้าหกองเนี่ยจะให้พระอุบัติบวชก่อนนะเพราะอุบัติบวชเสร็จแล้วนะจะได้ก็เลยบวชพระญาติพระวงของพระพุทธองค์อจากนั้นก็พวกท่านเหล่านี้ก็ได้กล่าว ได้ไหว้พระอุบาลีแต่พระอุบาลีก็ไม่ใช่ธรรมดานะพอจากนั้นมามีอธิมีคดีความเรื่องอะไระถ้าว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นพระพุทธองค์จะให้พระอุบาลีเป็นตุลาการเป็นประธานศาลดีกาคล้ายๆผมเป็นผู้ชี้ขาดเรื่องคดีความต่างๆเรื่อง พระกุมารักาปะบางเรื่องอะไรที่มันมีเรื่องราวเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาในยุคนั้นเอาอุปเีไปชำระคดีความพระอุปรลก็ไปนั่งเป็นประธา น, นเรียกโจทและจำเลยเข้ามาถามไทยอพอถามไทยเสร็จแล้วก็โดยมากจนต่อเหตุผลทั้งหมดพระอุปเลีก็ตัดสินใจ เมื่อตัดสินใจเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มากราบทูลพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าอุงชัยเป็นธรรมถ้าเราตัดสินเราตถาคตตัดสินก็ตัดสินอย่างอุบาลีไม่ไม่แพ้กันเหมือนกันอุบาลีเนีเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายได้รับเอธัตคา้าอีกนะแต่ภิกษุพระอุบาลีเป็นผู้กฎกฎกฎกาาเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้สงวิไนสงกฎกติกาสงวินัยในพระพุทธศาสนาเลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย เพราะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าปรินีผ่านแล้วเนะี่ยพระมหาการตปะเป็นประธานสงฆ์ที่ทำสัตตบันนภูหากราชจะคือประชุมพระสงฆ์พระอรหันห้าร้อยเมื่อพระสงฆ์มาพร้อมกันพระมหากัสตปะก็ถามว่าดูก่อนหมู่สงฆ์ทั้งหลายหมู่พวกพวกเพื่อนทั้งหลายพี่พี่น้องๆ้องทั้งหลายเราจะสังขายนายอะไรก่อน ธรรมและวินัยอย่างพระสูตรพระวินัย hhh, si, Hari, imasu, Dragon, jungle, พระไตรปิฎกพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมแต่ตามจริงพระอภิธรรมไม่มีมีแต่ธรรมวินัยเท่านั้นธรรมและวินัยเราจะสังขายสังขายนาอะไรก่อนเราจะพูดเรื่องอะไรก่อนพระสงฆ์ก็บอกว่าพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์เคยตรัสว่าธรรมและวินัย ธรรมและวินัยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตรถาคตยังอยู่ตราบนั้นธรรมและวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของพวกท่านทั้งหลายเมื่อเราผ่านไปแล้วเป็นอันว่าพระพุทธเจ้าท่านให้ความสำคัญเรื่องกฎและเบียบเรื่องวินยัยควรจะสังขายานาเรื่องควรจะพูดเรื่องวินัยก่อน พระมหากัสตะปะเออเอาแต่ยางนั้นองค์ไหนที่ได้รับเอตตะคะได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าที่ว่าเลิศกว่าหมู่พวกเราท่านอุบลีเออเอาท่านอุบลีเข้ามาใกล้ๆว่าตั้งเป็นสองธามมารรมะขึ้นมาแล้วไงแหม เ, เป็นสองธาารรมตขึ้นมาพระมหากัสตปะกับสงฆ์ทั้งหลายก็เป็นผู้ถามแล้วป่ะเนี่ยซิกขาบทที่หนึ่งมาจากไหนเอเกี่ยวกับวินัยเนี่ย พระมหาพระอุเบก็บชี้แจงวิชชนาเลยท่าที่พระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยข้อที่แรกข้อที่หนึ่งคือปาราชิกข้อที่หนึ่งอยู่ที่เมืองไหนใครเป็นคนกระทำอาจารย์ท่านเมื่อพระรเมื่อวิชชนาจบลงไปแล้วองแล้วกับอนุบัญญัติล่ะที่อวบรองลงมามีอะไรบ้างพระอุเบกับวิชชนาเนี่ยแหละ แปลว่าได้รับเอตตะคะจากพระพุทธเจ้าคือพระอุบาลีเนี่ยวิสัชนาเรื่องพระสูตรจบแล้วเรื่องพระวินัยจบแล้วกฎระเบียตจบแล้วจะเอาใครเป็นผู้วิสัชนาเรื่องพระสูตรเรื่องความเป็นมาของพุทธศาสนาพระสงฆ์ทั้งหลายก็เสนอพระอานุนพระอานุ์เป็นผู้เป็นพระหุสูตรติดตามพระพุทธเจ้าตลอดรู้เรื่อง ยิ่งกว่าภิกษุทั้งหลายเพราะอยู่ใกล้ชิดอา้าทถ้ายงั้นตั้งพระอนุนขึ้นมาเป็นผู้วิสัสนาเรื่องพระสูตรจากนั้นพระสงฆ์กับคณะสงฆ์ใครข้่องใจตรงไหนถามความเป็นมาของพุทธศาสนาเป็นมาอย่างไรพอจะนั่งเวลาจบแต่ละค้างกับพระสงฆ์ทัง5้าร้อองค์เลยเป็นผู้จำเลยเหมือนกับเป็นคอมพิวเตอร์บันทึกบันทึก บันทึกข้อความบันทึกความทรงจําให้ไว้ไม่มียังยังไม่มีหนังสือนะสมัยนั้นหลวงพ่อโอ้ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะอยังไม่มีทั้งตัวหนังสือขึ้นมามีแต่ความจําความจดจําแต่และองค์เท่านั้นเองนี่แหละคือความเป็นมาของพระพุทธศาสนาเรื่องน้ำไม่ไปใช่เรื่องเด็กเรื่องน้อยนะ่ะเป็นเรื่องที่จะฆ่ากันให้ตายได้ นี่ก็เหมือนกันในหลวงพ่อว่านในประเทศไทยช่วงนี้รู้สึกว่าฝนปีนี้ถ้าปันน้ำกันไม่ดีแบ่งน้ำกันไม่ดีควบคุมน้ำกันไม่ดีโอ้หน้าห่วงนะไอ้พวกที่อยากจะทำนาอาชีพของข้าข้าทำนาจะทำได้อย่างไรพ้นไปดูสิเขือเอ่อนเอาน่าไม่จริงโคจรนาประชาสัมพันธ์ของเรากัมีมากอยู่แล้วหลักขึ้นมากับป้ายขึ้นมาเลยเน้ำเต็มที่ทุ น, นี้ ที่น้ำที่เต็มเขื่อนของเราเท่านี้แต่ปีนี้ยังเหลือน้าอยู่เท่านี้พี่น้องประชาชนทุกคนต้องใช้น้าด้วยความประหยัดอย่างน้อยใครมีน้ำอยู่น้ำกินไม่ก่อนเรื่องข้าวอาหารบริโภคนะั้นยังค่อยคิดกันอีกทีหนึ่งข่าใครจะทำก็ทำได้แต่ว่าไม่มีน้ำที่จะให้เพราะว่าน้ำานี่เราจะปล่อยให้น้ำอยู่น้ำกิน มันหมดไปแล้วเนะี่ยเราจะเอาน้ําที่ไหนมาอยู่กินกินน้ําทะเลไม่ใช่ของง่ายๆนะท่านี่ใช้น้ําทะเลกินน้ําทะเลนะไม่ใช่ของง่ายเพราะนั้นเรื่องน้ําปีนี้น่าห่วงนะหลวงพ่อวานะแต่หลวงพ่อจะอยู่ในป่าคิดมากก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ฟังๆดูแล้วก็น้วพิตกถทาฝนขนาดเพียงขนาดนี้นะโผดปีนี่นะมันกว่าทก เว้นเสียจะมันอีกสักต่อ น, นี้ไปอีกสักวันสองสามวันเทลงมาเออถ้าหลวงพอ่อนั้นหลวงพ่อจะขึ้นไปคุยกับพระญาแถนดูวะพญาแถนเอ้ยขอฝนด้วยเถิดเออมันไม่ไหวเล ย, เยตายแน่ๆและโลกเนี่ยถ้าพญาแถนไม่ไม่ช่วยนะอพระญาแถนอาจจะเห็นใจนะ หลวงพ่อว่านะเอารับพลนะ